นี่เป็นประสบการณ์จริงของชายคนหนึ่งซึ่งได้ไปเที่ยวยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเฮียนมีตัวตายตัวแทนในหลายจุดเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามทั้งยังแฝงอันตรายมากมายอยู่รอบด้านหากคุณกำลังฟังเรื่องนี้อยู่ในสถานที่จริงหรือกำลังพักอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านหรือแหล่งที่คุณคุ้นเคยบอกได้เลยว่า <sak> เรื่องนี้มันจะทำให้คุณหลอนมากเลยทีเดียวสัมผัสสยองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วในช่วงเดือนธันวาคมปี2558เราได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วังน้ำเขียวซึ่งเป็น ที่ที่งดงามไปด้วยคุ้นเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เราและเพื่อนอีกสองคนเดินทางออกจากชนบุรีในตอนเช้าขับรถไปเรื่อยๆแวดถ่ายรูปตามทางถึงเวลาหิวก็แวะกินข้าวกันพวกเราไปถึงบ้านเพื่อนก็เกือบเย็นแล้วแล้วแวะกินข้าวเย็นที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องเมื่อกินอิ่มแล้วก็นั่งเล่นสักพักหนึ่ง ก็ได้เวลาออกเดินทางไปที่พักของพวกเราเราเดินทางไปยังรีสอร์ทที่วังน้ำเขียวแล้วเราก็ไปถึงที่นั่นประมาณสามทุ่มกว่าๆพอไปถึงที่พักต่างคนต่างก็เหนื่อยมากพวกเราก็เลยรีบอาบน้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้านอนพออาบน้ำเสร็จพวกเราก็ปิดไฟนอนเพื่อนคนหนึ่งนอนริมสุดด้านในติดกำแพงห้อง อีกคนเป็นเพื่อนรุ่นน้องนอนตรงกลางส่วนเรานอนตรงริมนอกสุดเพื่อนคนที่นอนติด ก, กำแพงหันหลังเล่นเกมในมือถือคนที่นอนตรงกลางก็เล่นเกมส่วนตัวเราเหนื่อยมากง่วงก็เลยนอนไปก่อนเรานอนหันหลังให้เพื่อนๆนหันหน้าไปทางห้องน้ำพอหลับตาลงได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับว่า มีคนกำลังดึงเราออกไปจากตรงนั้นความรู้สึกเหมือนกำลังไกลออกไปเรารีบลืมตาตื่นหันมามองทางเพื่อนแต่ทุกคนก็ยังคงนอนเล่นเกมอยู่เราหันกลับมาแล้วคิดในใจว่าคงจะเหนื่อยและคิดไปเองมากกว่าแล้วเราก็หลับตาลงอีกครั้งเหมือนเดิมพอหลับตาลงไปได้สักพักหนึ่ง ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงเราอีกครั้งนี้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังไหลไปจะติดกำแพงห้องแล้วหรือเรากำลังถูกผีอำอยู่เราเริ่มสวดมนต์พุโทโธพุทโธท่องในใจพุโทโธพุโทโธทันใดนั้นเสียงหัวเราะที่เย็นเยือกก็ดังขึ้น สลับกับเสียงหายใจรดต้นคอเราเริ่มหายใจไม่ออกแล้วเสียงหัวเราะนั้นก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยเ ร, ยเราฝืนดีด ต, ตัวลุกขึ้นแล้วหันไปมองทางเพื่อนสองคนที่กำลังเล่นเกมอยู่เพื่อนมันก็แปลกใจ พากันหันมามองเราแล้วถามว่าเป็นอะไรเราก็ตอบไปว่าเปล่าไม่มีอะไรแล้วเราก็ลงนอนอีกครั้งในใจก็คิดว่าสงสัยจะเหนื่อยเลยคิดมากไปเองเราล้มตัวลงนอนอีกครั้งลองดูใหม่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเราคิดไปเองแต่คราวนี้เราไม่ได้หลับตา แต่มีความรู้สึกว่าสายตาเรามันเริ่มจะมัวมัวมองเห็นทุกอย่างแบบเลือนลางแล้วเราก็เห็นเงาดำๆเงานั้นค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างแล้วเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับผู้หญิงซึ่งกำลังนั่งหัวเราะอยู่แล้วยังหันหน้ามาทางเราอีกด้วยเสียงหัวเราะเบาๆที่เย็นเยือกกับสายตาที่มองมา เหมือนจะบอกว่ามองเห็นฉันไหมว่าฉันมีจริงเสียงหัวเราะนี้มันช่างเย็นเยือกเข้าถึงกระดูกเลยทีเดียวแล้วสักพักผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแต่เสียงหัวเราะยังดังก้องอยู่ในหูของเราแล้วเสียงคองลมหายใจนั้นก็กลับมาอีก <S <S> <S ลมหายใจที่เย็นเฉียบ มันรถต้นคอเราที่นี้เรารู้แล้วว่านี่มันของจริงแน่ๆไม่ไหวแล้วโว้ยเรารีบลุกขึ้นพร้อมกับบอกเพื่อนรุ่นน้องที่นอนอยู่ตรงกลางว่าไอพนมาเปลี่ยนที่นอนกันแล้วขณะที่เรากำลังจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนอีกคนที่อยู่ในสุดก็รีบบอกว่าอย่าเล่านะรอให้เช้าก่อนค่อยเล่า หลังจากเราเปลี่ยนที่นอนกันกับเพื่อนรุ่นน้องเราก็นอนหลับสบายไม่รู้เรื่องจนถึงเช้าพอเช้ามาเรารีบอาบน้ำพออาบเสร็จก็ลงไปรอเพื่อนๆในรถโดยที่ไม่ยอมออกจากรถเลยพอเพื่อนๆอาบเสร็จก็ตามมาแล้วก็ขับรถออกจากรีสอร์ตไปแต่พอขับออกมาได้สักพักหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่นอนในสุดก็ถามว่า เล่ามาเกิอดอะไรขึ้นเราก็เลยเล่าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเพื่อนอีกสองคนพอได้ฟังก็ขนหัวลุกกันเลยทีเดียวเพื่อนรุ่นน้องที่นอนตรงกลางก็บอกว่าเห็นพี่นอนมองพินานนอนนิ่งๆก็คิดว่าพี่คงนอนไม่หลับเลยไม่ได้สนใจอะไรเราคิดในใจคนเดียวว่าสรุปแล้วที่เรานอนหลับตาในตอนแรกนั้น คนอื่นมองเห็นกันว่ามันก็เหมือนคนนอนปกติทั้งๆ ท, ที่เรารู้สึกว่าโดนพิยามแทบตายส่วนตอนที่เราลงนอนแล้วไม่หลับตาเพื่อนก็คิดว่าเราคงนอนไม่หลับเฉยๆเท่านั้นเองแล้วเพื่อนรุ่นน้องก็เล่าว่ารีสอร์ทนี้จะมีสารเก่าๆอยู่ศารหนึ่งทุกคนที่มาพักจะต้องไหว้ขอที่นอนก่อนถึงจะนอนได้ แต่ถ้าใครไม่ไวายขอก็จะเจอเหตุการณ์เดียวกันเหมือนกับพี่ได้เจอบ้างรายถึงขนาดต้องไปรดน้ำมนกันเลยทีเดียวที่พี่เจอนี่ถือว่า น, น้อยนะจากประสบการณ์ครั้งนี้มันทำให้เราจดจำไว้เลยว่าทุกๆครั้งถ้าจะไปนอนที่ไหนที่ที่เราไม่รู้จักหรือไปนอนต่างถิ่นเราจะต้องไม่ลืมไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนทุกครั้ง 海洋。